ฟังเทศลงตาเทศกันปีสองหนึ่งเทศตั้งแต่ปีสองหนึ่งเทศอบรมพระโดยเฉพาะเม่ก่อนเปิดเฉพาะในวัดออกนอกวัดไม่ได้เมื่อก่อนมันเป็นคำพูดคำเทศโดยเฉพาะเน้นเฉพาะพระเราฟังดูแล้ว ท่านจะเน้นเฉพาะพระทั้งช่วงแรกทั้งช่วงหลังั้งเรื่องความฝันมันเป็นวันเดียวกันช่วงแรกเป็นช่วงที่ท่านเทศช่วงหลังเป็นช่วงที่ท่านพูดท้ายเทศตั้งแต่ปีสองหนึ่งสมสิบอ็ดมนจะสามสิบเอ็ดตุลาสองหนึ่งเทานี้อาจารย์สวัดได้น่งฟังด้วย ยศสุวัสสเโจโเได้นั่งฟังด้วยเราฟังดูปฏิปทาที่ท่านดำเนินตามนั้นทั้งหมดที่ท่านเทศเน่ยเป็นปฏิปทาของท่านบางช่วงเราก็เข้าใจบางช่วงเราก็ฟังเข้าใจแบบเพื้นๆธรรมดาเราก็เข้าใจบางช่วงแม้แต่เพื้นๆธรรมดาเราก็ไม่เข้าใจ เพราะมันเป็นภาษาธรรมมันเป็นภาษาขั้งใหม่เราก็าใจยากเราก็ฟังเป็นกรีหมายป้ายทางแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยว่าขนทางนี้เป็นขนทางที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินไปแล้วท่านผ่านไปแล้วเป็นของที่มีได้เป็นได้เพราะท่านทำไปแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านผ่านพ้นไปแล้ว รู้สึกจะเป็นกันที่เล่าละเอียดเหมือนกันนะโดยเฉพาเล่าเรื่องเกี่ยวกับราคะอุบายเคล็ดในการปฏิบัติเพื่อระงับราคะไม่ให้กำเริบถึงสิ้นสุดแห่งราคะเนี่ยท่านพู ด, ดละเอียดเราฟังที่อื่นฟังกันอื่นฟังผู้อื่นคนอื่นพูดไม่ได้ละเอียด พวกเรานับว่ามีบุญมีวาสนาขนาดไหนพวกเราได้ยินได้ฟังรู้อยู่ได้ยินอยู่เข้าใจอยู่บางทีก็ไม่ตั้งใจทำเวลาเราโทษเราก็ต้องโทษตัวเองเราไม่ได้ตั้งใจทำเราให้ตั้งใจทำอยู่ในความสามารถของตนของตนก็ น, นับว่าน่าชม แต่อย่าปล่อยปละละเลยอย่าปล่อยปละละวางให้โอกาสที่ดีๆที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยล่วงเลยไปผ่านไปอันนี้น่าเสียดายถ้าเราปล่อยเหมือนเราพบเราพบแก้วแหวนเงินทองแล้วเราไม่เอาหอบหิวแต่นนท์หอบหิวแต่ส้ำดีหอบหิวแต่ตะ ก, กวัวหอบหิวแต่สังกสีแก้วแหวนเงินทองที่มีคนยื่นให้ยื่นให้เราไม่ยอมเอา มีคนชี้ทางให้ว่า น, นี่แหละเป็นทางไปเพื่อได้แก้แหวนเงินทองแต่เราก็ไม่ยอมเดินไปเอายินดีพอใจแบะหามแต่อันนั่นแหละสังข์สีตะกัวนุ่นจารีไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยเอาสิ่งที่ดีๆกว่านั้นเราฟังเราฟังพิจารณาให้เกิดผลเกิดประโยชน์สำหรับตัวเรา เป็นกรีหมายป้ายทางสำหรับเราการฟังนี้เราจะต้องโอปยญกโกมาที่เราบางคนถ้าฟังไม่เป็นเนี่ยเห็นว่าลองตาท่านดุคนนั้นดุคนนี้ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้แต่ถ้าฟังเป็นเนี่ยนเราย้อนมาที่ตัวเรา เ, เราย้อนมาที่ตัวเราเพราะเราย้อนไปที่อื่นไม่เกิดประโยชน์เราไม่ได้ข้อปฏิบัติ แต่ถ้าเราย้อนมาที่ตัวเรานะเราได้ข้อปฏิบัติมันเป็นการมาสำรวจตรวจตรา ด, ดูตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรบ้างาเราจะได้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสร้างความเลื่อมใสสร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อมัน่นต่อปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเราก็ตั้งใจเดินไปยังอจหารร่าเริงในธรรมยินดีในธรรมเพลิดเพลินในธรรม ด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังวังชาในธรรมตั้งใจเดินไปตั้งใจทาอย่างสนุกสนานอย่างยินดีอย่างพอใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาความสน อ, อกสนใจความจดจ่อก็มีขึ้นปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นขวางหน้าเราไม่ถอยเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น อันนี้ก็เป็นปมหนึ่งจุดหนึ่งที่เราควรทราบไว้เราควรเข้าใจไว้เพราะว่าอุปสรรคมีขัดข้องทุกเส้นทางที่เราเดินไม่มีเส้นทางไหนที่ไม่มีอุปสรรคมีอุปสรรคทั้งหมดแม้แต่การประพฤติ ป, ปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานแต่ละคนแต่ละจริตแต่ละนิสัยมันก็มีอุปสรรคทั้งนั้นแหละเพราะเราเดินไปเราเดินไปเราเดินไปเจออุปสรรคแล้วเราก็ถอย มัแค่นั้นเองอุปสรรคยังขวางหน้าเราอยู่เดินไปเดินไปมาเดินทางไปใหม่เจออุปสรรคเราก็ถอยอีกเดินไปทางเส้นนู้นหน้าจะไม่มีอุปสรรคเดินไปเดินหม่เจออุปสรรคเราก็ถอยอีกเป็นผู้ไม ve, ่พยายามที่จะแก้ไขอุปสรรคเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะต้องแก้ไขอุปสรรคเฉพาะหน้าเราเดินไปเดินไปเดินไปเจออุปสรรคเราต้องแก้เพราะอุปสรรคก็คือปัญหา ถ, ถ้าเผื่อเส้นทางก็คือสิ่งที่กีดกวขวางเส้นทางเราเดินนั่นแหละอาจะเป็นขวางจะเป็นน้ําจะเป็นอะไรก็ตามที่เราเดินไปไม่ได้เราเดินไปยากเราพอจะเล็ดลอดไปยังไงถึงจะไปไดเ้เราก็ต้องตั้งใจเดินเราฟังเราฟังความฝันของลุงตาเป็นอุปมานนัเราฟังลุงตาท่านฝันฝันว่าท่านเดินไปบนเส้นทางที่ ไม่ชัดเจนนักดังๆพอรู้ว่าเป็นเส้นทางนะที่จะว่ากอไผ่หนาหนาทั้งน้ําทั้งหนาล้มขวางทางเลยสองข้างทางไม่มีทางไปไม่มีทางไปก็เลยดูไปเป็นเห็นเช่านิดนิดหน่อยพอจะรอดไปได้เห็นไหมเราฟังเป็นอุปมาเนี่คืออุปสรรคถ้าเราเห็นว่าเป็นอุปสรรคโอ้ยไม่ได้แล้วก่อไผ่ั้งก่อเราจะไปได้ยังไงถอย แหน่มันก็ไปไม่ได้ละอุปสรรคทั้งกอไพทั้งกนะ่อเน่ยถอยเป็นอุปสรรคไปไม่ได้ละอันนี้เราไม่ถอยเราถึงมึงมีอุปสรรคขวางหน้าเราต้องต้อ ง, ต, องต้องพยายามแก่เห็นไหมไม่มีมีดไม่มีผ้าไม่มีอะไรทําอะไรไม่ได้หลอดเข้าไปหลอดหลอดหลอ ด, ลอดไหนสุขพ้นไปได้หลอดด้วยความยากลําบากความฝันของท่านจะเป็นอุ ป, ปมาเป็นปฏิปทา บอกบอกที่หลว ง, งปู่มั่นท th <c oughs> ่านทำนายอะพวกเราไม่มีใครที่ยังไม่มีอุปสรรคเละมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละแต่ส่วนมากเราก็ไม่พยายามจะแก้ไขกันบ่มอยู่กับอุปสรรคนั่นแหละอุปสรรคมันมีอยู่ที่ใจบ่มมาที่ใจนี่แหละอุปสรรคข้างในมันไม่เหมือนอุปสรรคข้างนอกอมันไม่เหมือนอุปสรรคข้างนอก อุปสรรคข้างนอกบางทีสมมุติเราขับรถไปเนี่ยต้นไม้ขนาดสองสามโอบคนเนี่ยขวางทางอยู่นี่อันนี้เราไปไม่ได้แน่ๆน่แหละวิธีที่จะไปได้ก็คือต้องเอาหาอะไรมาตัดมาทอนไม้กลิ้งออกซะก่อนถึ ง, งจะไปได้แต่ว่าวิธีสอบนุนส น, นี้เพื่อมาพิจารณาแก้ไขอุปสรรคภายในใจของเรานี่มันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนเหมือนเหมือนขนาดนั้น แต่มันขึ้นอยู่กับการตั้ง อ, อกตั้งใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเรี่ยวแรงของเราอันนั้นก็หนักไปอย่างหนึ่งอย่างที่เราอุปมาข้างนอกถึงกระนั้นเขาก็ทําได้เอานุ่นมาดึงเอานี่มาลากออกเขาก็สามารถเป็นเส้นทางที่ไปได้มาได้เส้นทางข้างในนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราแก้ไขอุปสรรคล้วก็พอจะไปได้มาได้ค่อยๆดูค่อยๆแกะ ค่อยๆลุกค่อยๆคลำค่อยๆคลีคคล่คลายใจเย็นดูพิจารณาไปไม่ถอยเจออุปสรรคแล้วไม่ถอยใช้อุบายใช้วิธีเดียวคือไม่ถอยว่า ง, งั้นเถอะพยายามแก้ปมนี้หลุดปมนี้ไปได้ขยับไปอีกขยับไปอีกก็เจออีกเจออีกแก้อีกเจออีกแก้อีกเจอกี่ปมแล้วไม่ยอมถอยเจอกี่อุปสรรคแล้วไม่ถอยสู้จนตาย ทำจนตายเราลองตั้งปณิธานไว้อย่างนี้ลองดูเราจะไม่มีเราจะไม่มีการตําหนิตัวเองเราจะไม่มีการยอ่อท้อเราจะไม่ไม่มีการท้อถอยเราจะไม่มีการถอยหลังน่ะเจออุปสรรคอยู่กับที่ก่อนถอดนู่นสอบนี้แกะนู่นแกะนี้ดึงนู่นดึงนี้ขยับน้นขยับนี้หากมีช่องออกไปจนได้แหลอะอ หากมีช่องออกไปจนได้อย่าถอยหลังเด็ดขาดในเมื่อเราเก้าวไปสวนทางที่จะไปได้เงินได้แก้วเวรเงินทองแล้วเราถอยเราก็ไม่ได้อันแลได้กันได้แต่ของอะไรที่มันไม่มีราคาอะไรนั่นแหละเหมือนกับที่เราหอบหิวนนสําลีอะไรของอะไรที่มันไม่ค่อยจะมีะคําราคาเนี่ยก็ได้แต่สิ่งนี้ในเมื่อเราต้องการสิ่งที่มี ราคามากๆมีคุณค่ามากเส้นทางนี้แหละไปเจออุปสรรคเราไม่ถอยพยายามเอาจนได้ในที่สุดในที่สุดมันก็ไม่เกินความสามารถ พ, พ, พระศาสดาพระสาวกพระอริยาสาวกมากมายมหาศาลที่ท่านผ่านไปแล้วท่านเจออุปสรรคด้วยกันทุกคนนั่นแหละทุกองค์ทุกท่านทุกรูปทุกนามนั่นแหละ ทั้งผ่านไปได้ทั้งหมดครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆสมัยปัจจุบันพระเจ้าอุปสรรคอย่างปู่มัน่นหลวงปู่เสาเนี่ยครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงตาที่เราฟังเทศท่านเราฟังเนี่ยมีด้วยกันทุกคนครูบาอาจารย์มีทุกองค์แต่ท่านไม่ถอยในที่สุดถ้าก็ผ่านไปได้เราถืออันนี้เป็นข้ออุ ป, ปมาเหมือนเหมือนกับท่านเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับท่าน มาตั้งไว้ที่จิตใจของเราพยายามปรับปรุงปฏิปทาของตนให้ดีข้อปฏิบัติข้อประพฤติข้อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต้อเป็นส่วนตัวก็ตามต้องเป็นส่วนรวมก็ตามข้อวัดที่เราทําเป็นส่วนตัวที่เราทําเป็นส่วนรวมเราทําเป็นส่วนของครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามเราก็ทํา เป็นส่วนรวมก็คือปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะอย่างที่พวกเราทํำทำกันนี้แหละดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่อยู่ที่อาศัยตามซอกตามมุมตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนมันรกดูดูวันดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ทีวันนั้นดูตรงนั้นวันนี้ดูตรงนี้จัดระเบียบตรงนั้นจัดระเบียบตรงนี้เราก็เราก็อยู่อย่างเป็นระเบียบเพราะธรรมะเป็นของมีระเบียบเป็นของสะอาดเราอยู่อย่างรก เรารุงรังสกรปรกเหม็นอับเหม็นชื้นอะไรต่อแล้วไม่แก้ไขบ่งบอกถึงความไม่เป็นธรรมไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมีมมรรมมรรม่ขอวัดส่วนรวมเราทำอย่างมีกติกากันนะอย่างตอนเช้าเอยอย่างตอนตอนบ่ายเอ้ยนี่มาฉันน้ำร้อนตอนปัดัติเอยบ่ายสามโมงปัดตาตเสร็จขึ้นมาทุศลาเอ้ยนี่ อันนี้เป็นกติกาที่เรานัดกันเราพยายามทําให้ได้ตามนั้นอืเราพึ่งพาอาศัยบริเวณสถานที่เราก็ต้องดูแลรักษานี่เป็นคอวัดส่วนรวมรวมไปถึงการดูแลวัดวาอะไรที่ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องช่วยดูแลโดยเฉพาะอย่างห้องน้ําเนี่ยเราต้องดู ห้องน้ําหน้าสลาห้องน้ําในครัวห้องน้ําตรงไหนก็ตามที่เราใช้สอยเนี่ยจะต้องดูโดยเฉพาะห้องน้ําสลับแขกข้างหน้าสลาเนี่ยแล้วก็ในครัวแล้วก็ควรจะเราต้องดูอันนี้เราบอกเราเตือนบ่อยๆพระเราต้องดูต้องไปดูใครปัดปัดตาดผ่านไปก็ต้องดูอ่าเพราะการไปทําความสะอาดในห้องน้ํามันเป็นวัดอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าเวัดจกุณดีวัดเวทจกาุณดีเวชจกุณดีดดแปล ว, ว่าห้องส้วมเวทจา้าุณดีวัดวัดในห้องส้วมห้องน้ําำเราเข้าไปดูทางความสะอาดบางที่คนมาเป็นคณะหลายคณะนี่ก็สกปรกเราต้องเข้าไปดูทางความสะอาดไปสาดน้ําไปขัดไปทูมีกระดาษหรือไม่มีมีแฟบสลับใช้หรือไม่มีมีสบู่หรือไม่มีม ะมีถางสําหรับรองน้ําหรือไม่มีขันมีไหมแปลงต้องดูเราดูเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอทุกห้องทุกห้องหลายคนก็ช่วยดูกันคนละสองห้องสามห้องก็เสร็จเราทําเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูต้องทําทําเท่านั้นที่ไหนก็ทําเท่านั้นมันเป็นหน้าที่ ที่เราทำสาธารณะเพื่อเพื่อวัดเพื่อที่อยู่เพื่อที่อาศัยเพื่อเป็นการตอบรับกันกับคนที่เขาเรื่อมใสศรัทธามาพึ่งพาอาศัยวัดสุดขอวัดส่วนส่วนรวมขอวัดส่วนตัวก็คือท่องบนสวดมนต์ภาวนาเนี่แหละขอวัดส่วนตัวแล้วก็มาสรุปตั้งแต่ตั้งแต่ช้ามืดมากลางวันแล้วก็จากกลางวันค่า ม, มืดไปจนสว่าง เราก็สรุปว่าเราจําเป็นเราจะทําอะไรบ้างเราก็สรุปข้อวัดส่วนตัวอเราอยู่ที่กุฏิเราก็ไม่กะไม่เกณฑ์แหละใครจะภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาดึกเท่าไหร่เราก็ไม่กะไม่เกณฑ์เอาความสามารถของตนเป็นที่ตั้งขอวัดส่วนตัวเราไม่ท่องบนส่วนมนต์แล้วก็ภาวนา เราไม่ภาวนาเราก็ท่องบนสวดมนต์เพราะการท่องบนสวดมนต์นั้นเป็นหน้าที่ของเราอันไหนเรายังไม่ได้เราก็ต้องท่องถ้าไม่ท่องมันก็ไม่ได้เราท่องไปแล้วเราก็จำได้บทที่เราท่องเป็นธรรมะทั้งนั้นแหละไปดูเป็นภาษาไทยภาษาคาแปลเป็นบทธรรมทั้งนั้นเลยการท่องจำบทมนต์ต่างๆนั้นก็เป็นความ ขลังเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะเราบ่นพืมนพำสวดออกมาเนี่ยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของคําพูดเพราะคําพูดคือธรรมที่เป็นธรรมสวดมนต์ก็เป็นเหตุทําให้จิตใจเราสงบได้เช่นเดียวกันกล่อมเกล่ากล่อมเกล่าไปที่ใจก ล, กล่อมเกลาวไปที่จิตใจท่องบนสวดมนต์กล่อมเกลาวไปที่จิตใจท่องบนสวดมนต์ภาวนานี่เป็นหน้าที่ของเรา นี่เป็นหน้าที่ส่วนตัวใครขยันมากก็ได้มากใครขยันน้อยก็ได้น้อยใครไม่ขยันไม่ได้อะไรเลยเขาท่องได้นู้นได้นี่มากมายเราไม่ทองไม่ได้อะไรเลยอืมไม่ทองไม่ได้อะไรเลยบางคนบวชมาแล้วก็ตั้งใจทองทองนู้นทองนี้ได้ทองปฏิโมกททองอะไรจบได้สวนบางคนไม่ทองไม่ได้เลยมีสติมีปัญญามีความจดจําไม่ต่างกันมากนะ แต่คนอื่นเขาตั้งใจท่องด้วยความภากความเพียรท่องได้ได้สวดแน่เห็นไหมมันต่างกันนะการให้โอกาสแก่แก่ตนเองการสนใจต่อประโยชน์ของตนเองแตกต่างกันอันนี้ประโยชน์ตนตอนเช้ามาเรานัดแนะกันยังไงเอาตีสี่เราถึงสลาแล้วก็ออกมาล่วงหน้าสัหน่อยมาปัดกวาดเช็ดทูปูอาสนะพร้อมกันก็ทําวัดสวดมนต์ เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปจนสว่างได้เวลาที่เราออกไปบินธบาตเราก็ค่อยออกอันนี้เฉพาะผู้ที่ออกมาฉันผู้ที่ไม่มาฉันก็ไม่ต้องไม่ต้องออกมาสำหรับผู้ที่ออกมาฉันก็ต้องออกมาขนาดนี้ถ้าเราไม่นัดกันเนี่ยมันจะมาไม่พร้อมกันบางคนมาดึกบางคนมาสายบางคนมาใกล้ๆสว่างเนี่ข้ อ, ขอวัดต่างๆไอ้คนมาดึกๆก็เอาไปกินหมดแล้ว คนมาที่หลังก็ไม่ได้อะไรก็มาที่หลังเขาทุกวันทุกวันอ่ะคนอื่นเขาก็เอาไปก่อนทุกวันทุกวันไม่ได้อะไรอันนี้เรามาแบบแนะกันนัดกันว่ะเอาตีสี่เป็นจุดเป็นจุดถึงงั้นแต่อาจจะหลังบ้างสีนาทีห้านาทีก่อนบ้างสีนาทีห้านาทีมาต่างคนต่างรู้หน้าที่แล้วก็ทําปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะพร้อมแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็มานั่งพร้อมกันทั้งหมด ผู้ที่เป็น ห, หนัวนากะพาสวดเราไม่ได้ลงหมู่เพื่อนใครมันสามารถกระพาสวดแล้วก็ตั้งใจเคารพความสามัคคีปรองรองในหมู่ด้วยให้มีความเคารพย้ำเกรงกันในหมู่เราด้วยรู้จักเคารพสงฆ์ด้วยไม่ใช่คนหนึ่งตั้งอกตั้งใจทําจริงจังอีกคนสองคนไม่ตั้งอกตั้งใจทําจริงจังนี่ก็เสียละ คนหนึ่งตั้ง อ, อกตั้งใจในั่งภาวนาสงบเงียบอีกคนหนึ่งเดินขึ้นเดินลงเนี่ยก็ไม่ไหวละขาดความสามัคคีมันขัดข้องในใจแกกันและกันมันเป็นการทำให้เสียโอกาสในเมื่อคนอื่นเขาแสวงเอาโอกาสแต่เราทำเสียโอกาสก็ไม่เสียใครก็เสียเราขาวัดส่วนตัวขวัดเวลามาทำกันพร้อมกันกถือว่าเป็นขวัดส่วนรวม นั่งภาวนาไปจนสว่างก่อนจะออกบินตบาตห้านาทีก็ลุกก็ลุกพร้อมกันลุกนั่งก็พร้อมกันนั่งลุกก็พร้อมกันลุกอันนี้เป็นเป็นกติกาภาคบังคับซะหน่อยเป็นกติกาภาคบังคับถ้าเราไม่บังคับเนี่ยเราจะแย่แหละบางคนก็ปล่อยยอนยานจนไม่ได้อะไรเลย เราอาศัยอย่างนี้อาศัยระเบียบพอวัดปดฏิบัติอย่างนี้เป็นสิ่งดึงเราชักจูงเราลากเราในที่สุดเราก็ดีไปได้ไม่อาศัยตามใจตัวเองสัอย่างเดียวถ้าเราตามใจตัวเองสัอย่างเดียวก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละในที่สุดก็ไม่ได้อะไรกิเลสเอาไปกินหมดไม่ได้อะไรก็เขาดอกไม่สนใจที่จะทํา มันก็ไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรามาอยู่ท่ามกลางโอกาสแต่เราไม่เอาเราไม่ทําคนที่ไม่ได้ก็คือเรานั่นแหละคนเราย่ําแย่กว่าคนที่ด้อยโอกาสบางคนคนด้อยโอกาสเขาไม่ได้ทํานี่เรามีโอกาสแต่เราไม่ทำนี่เราแย่กว่าแย่มากๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีใครครวรให้ดีเพื่อประโยชน์เราประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยต้องทํา ไปบินตบาทก็สำรวมระมัดระวังให้ดีโดยเว่าะพระใหม่บาทรฝาบาทมักจะตกห่มผ้าเนี่ยมันคล่องยากก็พยายามห่มที่กุฏิเราเนี่ยห่มแล้วก็รื้อห่มแล้วก็รื้อห่มปิดไหล่สองสองข้างห่มแล้วก็รื้อห่มแล้วก็รื้อซ้อนผ้าไม่ชมนานํานาญก็หัดพยายามหัดซ้อนซ้อนผ้าสองผืนสังาติยีว อ, อนซ้อนซ้อนซ้อ น, อนแล้วกห็ห่มรื้อออกซ้อนซ้อซอ น, อนแล้วกห็ห่มรื้อออก เพื่ออะไรเพื่อมาคล่องถ้าเราทําไปตามบุญตามกรรมมันจะไม่คล่องคนอื่นเขาลงไปหมดแล้วเจ้าของจับหลุดจับหลุดอยู่นี่แหละห่มไม่ห่มยังไม่ได้มันก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมกันต้องฝึกให้ดีเอาให้ไดยนิสัยตรงนี้อย่าปล่อยให้เป็นคนอ่อนย่อนยานต้องก่อนเขาบ้างต้องหลังเขาบ้าง ลงไปก่อนเขาบ้างหลังเขาบ้างไม่ใช่หลังเขาทุกวันหลังเขาจนขึ้นรถตรงหน้าสล า, าเลยทุกวันของมันก็ไม่ไหวแล้วเดินเราเดินให้เดินออกไปเพื่อให้ได้ออกกําลังเดินอย่างนี้ไปถึงไหนก็ตามะเดินตั้งใจเดินห้ามจับคู่เดินคุยกันเรามันเสียการไปบินทบาทนั้นเป็นเป็นข้อวัดเราไปเดินคุยกันคุยเรื่องนอกเลยแล้วก็เสีย นะต่างคนต่างเดินลงไปตั้งแต่สลาเนี่ยบริกรรมพุโทโธไปตั้งแต่ลงสลาไปแล้วไปขึ้นรถรถสวนไปตัวไหนก็นั่งขึ้นนั่งรถพุทโทไปบนรถอีกนะไปคุยกันเจ้าเจ้าอยู่บนรถไม่ได้ผิดผิดระเบียบเสียขอ้อวัดอืก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปจนกว่าจะได้ขึ้นรถเนี่ยพุทโทพุทโทพุทโทรพุทโ ท, โ ท, โทไปตลอดเนี่ มันได้กำลังใจขนาดไหนเราเราลองเทียบเคียงกันดูกับบางวันที่เราไม่ได้สนใจเลยได้กำลังใจมากและนี่แหละคือโอกาสมีโอกาสสลับเราแล้วเราไม่เอาเราก็เหลวเหลวไหลเหลวไหลเหลวเละเตะตุ่มเป๊ะมีโอกาสแล้วเราต้องเอาเราต้องทําถ้าต่างคนต่างทําจะเกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงแล้วมันจะไม่กวนกันมันจะไม่เป็นเหตุรบกวนกัน ขึ้นไปนั่งบนรถต่างคนต่างสงบเสงี่ยมต่างคนต่างภาวนาในใจและมันก็ไม่รบกวนกันในจํานวนที่ที่นั่งบนนั้นถ้าสี่ห้าองค์เขาตั้งใจภาวนาสองสามองค์นั่นแหละคุยกันรบกวนกันแล้วเสียเสียด้วยได้บาปติดตัวอีกด้วยพึงระวังอันนี้พึงระวังเราไปลองรถเดินบินทธบาตในบ้านก็ต้องสํารวมระวังอย่าให้ฟ้าบาทหลุดใส คอนเกล็ดนะเพียงปรางพระใหม่มักจะหลุดอต้องระวังให้ดีหอมผ้าให้ดีใยสุรุยสุร่เกล็ดกลัดลังดุมให้ดีหอมไปให้ดีหอมยังไม่คล่องพระเก่าก็ต้องดูคอยดูด้วยทาไมคอยดูก็ไม่ได้ไปกับเขาแหละหอมหลุดหอมหลุดหยิบหลุดหยิบหลุดอยู่นี่แหละก็ต้องดูด้วยอช่วยกันช่วยกันเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันได้บุญทั้งนั้นแหละ อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดแต่ตำหนิอย่างเดียวไม่ยอมทำมันก็เป็นเหตุตำหนิไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินบินทบาทบินทบาทท่านก็ให้ดูแต่ในบาทนะไม่ให้มองไปทุทีบโทษแดนเดสมองแต่ในบาทมันเห็นมือคนมืออะไรลงมาในบาทมันก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่าไปมองไปที่อื่นนะสำรวมอ ย, อยู่แต่ในบาทนะ มินทบาทมองแต่ในบาทท่านให้มองแต่ในบาทท่านไม่ให้มองที่อื่นแต่ก็อย่าไปเสื่อซ่าจนรถชนกันแล้วกันแหละอืมีหูมีตาที่ท่านไม่ให้มองเพื่อเพื่อสํารวมระมันระวงังนั่นแหละเพราะบางคนสอดสายตาไปหาอะไรสารพัดตามที่กิเลมันยุให้หานั่นแหละเดี๋ยวก็ได้โทษมาแล้วเดี๋ยวก็เยิ่มมาแล้วถูกมันตีหัวเยิ่มมาแล้วเยิ่มมาแล้ว สิ่งแล้วเราจะโทษใครเราก็ต้องโทษตนเราก็ต้องโทษตัวเองเดินบินทบาตมาขึ้นรถมานั่งมาบนรถภาวนากลับมาถึงเวลาก็เอาผ้าเอาอะไรเอาบาดอะไรเอาถลกอะไรออกขึ้นมาจัดม้วนจัดนี้เสร็จพร้อมกันก็ให้พรให้พ ร, สรเสร็จแล้วก็พิจารณาต่างคนต่างพิจารณาต่างคนต่างตั้งใจขบฉัน หลัจะให้พรเสร็จแล้วเนี่เป็นหน้าที่ของตนทั้งนั้นเลยที่จะต้องมาเพ่งพิจารณาในบาทของตัวเองพิจารณาอาหารในบาทของตัวเองเราจะต้องตั้งใจพิจารณาว่าอาหารนี้เราจะไม่บริโภคเพื่อบำรุงกิเลสตัณหาอุปาทานเราจะบริโภคเพื่อประพฤติ ธ, ธรรมปรฏิบัติธรรมเพื่อชําระขัดกล่าวกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปจากใ จ, ใจิตใจแล้วก็พิจารณาไป พิจารณาสักหนึ่งนาทีแล้วก็ฉันฉันไปพิจารณาไปไม่ใช่พิจารณาสิบนาทีแล้วระหว่างฉันไม่ดูแลไม่สนใจไม่พิจารณาเลยอันนั้นไม่เหมาะอะพิจารณาหนึ่งนาทีหลวงตาท่านสอนกันพิจารณาหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็ฉันไปดูไปพิจารณาไปจนเสร็จพิจรารณาทำความรู้สึกทันกับที่เราขบร้ราฉันนั่นแหละมันเป็นการสร้างสติให้มีสติอยู่กับเนื้อกบตัวไม่งั้นมันถูกรถเหยียบ รสอริดอร่อยรสไม่อริดอร่อยมันก็เหยียบได้รสอริดอร่อยมันก็เหยียบได้นั้นว่าถูกรสเหยียบพอเวลารสอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่ปลายลิ้นเวลาเราระลึกถึงรสเนี่ยรสมันก็สักเทวรสนะมันจะไม่มีอะไรชวนดูดดื่มติดอกติดใจเท่าไหร่ท่านให้ดูให้เพ่งเล็งให้เพ่งอย่างนั้นนะการที่เราทําความรู้สึกอยู่กับกับบินทบาทเนี่ย พิจารณาในบาทฉันบินทาบากก็ให้ท่านให้พิจารณา ah ในบาทห้ามออกห้ามม อ, องห้ามดูที่อื่นให้ดูในบาทพิจารณา ah ในบาทพิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลให้เห็นเป็นของโสโครกท่านบอกว่าให้ให้พิจารณา ah โดยสีพิจารณา ah โดยสันฐานพิจารณา ah โดยกลิ่นพิจารณา ah โดยการเปลี่ยนแปลงของของอาหาร พิจารณาโดยสีของมันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสีมันก็เปลี่ยนไปการด่วงไปอสามมองสี่มองห้า ม, มองอาหารน่ะ ถ, ถ, ถ้าเราตั้งเอาไว้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนจากดีๆไปเป็นบูดจากบูดแล้วก็นเนา่าเราดูในบาทเราก็ดูเช่นเดียวกันเราดูใช้สัญญาเนี่ยแหละหมายเข้าไปคําว่าหมายก็คือคาดเอาเดาเอานั่นแหละเรียกว่าสัญญาเรียว่าจําได้หมายรู้ คาดเอาเดาเอาสี่างนี้เวลาล่วงไปการล่วงไปเวลาล่วงไปมันก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนสันฐานก็เปลี่ยนกลิ่นก็เปลี่ยนกลิ่นก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปทุกอย่างแลเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วเรารับทานรับทานลงไปก็รับทราบรสก็แต่ก็อยาให้ปฏิคูลมัน มันหลอกหัวใจของเราบางคนเกิดปฏิกู ล, ลสัญญาจนฉันไม่ได้หรือไม่ ก, กับพิจารณาเห็นถ้าเผื่อมันหิวกระหายในอาหารมากนักกับพิจารณาให้เป็นนอนยั่วเย้ยเต็มไปหมดในบ้านน่ยมองให้เห็นเป็นตัวนอนยั่วเย้ยัยเย้ยในบ้านนี่ยทำให้เราสิสะเอียนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการอันนึงเป็นการระงับในการติดในรสชาติของอาหาร การฉันได้บาศมีประโยชน์อย่างนี้นะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้จะไม่มีประโยชน์เราจะมองไม่เห็นประโยชน์หรอกเราจะข้องใจตัวเองเอ๊ะเราฉันทําไมฉันเพื่ออะไรฉันใ้บาศ ท, ท่านให้พิจารณาอย่างนี้ถึงจะเกิดประโยชน์เห็นโทษเห็นภัยในการในการขบในการฉันพิจารณาในบาศฉันในบาศอย่างตู้วันนี้เราก็ถือตูอ้งบางองค์ก็ถือตู้ดงลงบินที่นู่นไม่รับอาหารบนชลา บางองค์ก็รับมาตามปกติแล้วก็ไม่ชั้นบนนี้ก็รับบนนี้ตามปกติอันนี้แล้วแต่เราสมัครใจการที่เราถือรับที่นุ่นและไม่มารับบนนี้เป็นการถือสุดดงทีไไ่ไม่รับอาหารตามสง่งมันจะเข้าข้างไปทางมากน้อยสักหน่อยหนึ่งพอยใจที่นุ่นแล้วก็ไม่เอาที่นี่โดยเฉพาะนอกพรรษาเราก็พาทํำอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นในภรษาเนี่ยเราจะรับที่นุ่นทั้งหมดเราจะรับข้างนอกทั้งหมดเราจะไม่รับข้างในเนี่ยเราจะรับโน่นนะตรงที่เขาใส่บาตร ท, ที่นุ่นทั้งหมดตั้งแต่หัวหน้าลงไปทั้งหมดในวัดมีลูกตาท่านพาธรรมาท่านปลูกฝังมาระยะยาวหมู่เพื่อนกอถือการปฏิบัติตามกันอันนี้ท่านพาธรำนะสมัยอยู่บรรานักนะตั้งแต่ท่านนะ่ะหัวหน้าลงไปจนหางแถวนะถืออย่างนั้นหมด แล้วเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่จุดนี้ไอ้พวกเราก็อยู่ในร่มเงาของท่านเราก็ต้องถือปฏิบัติอันนี้ตามท่านในพรรษาเราก็ถืออย่างนั้นตลอดแต่มันก็มียกเว้นเป็นบางการบางคราวเป็นกิจนิมนต์บ้างเป็นอะไรนิมนต์เป็นอะไรบ้างคนศรัทธาใหม่มาบ้างอย่างนี้ก็ต้องดูเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นราย้ายๆไปอืม นี่คือการขบการฉันฉันเสร็จแล้วแล้วก็เก็บล้างบาตใช้บาตรไปใช้ให้เป็นอใช้ผ้าก็ใช้ให้เป็นล้างบาตรเทปบาตเก็บบาตอะไรบาตก็ใช้ให้เป็นล้างบาตถ้าเราไม่ใส่แฟบใส่สบู่เนี่ยมันก็มีแต่คราบมันเราใส่แฟบใส่สบู่เข้าไปล้างสักน้ำสองน้ําแล้วก็เททิ้ง แล้วก็มาเช็ดเอาคว่ำมาแล้วก็เช็ดเอาผ้าเช็ดบาตมาเช็ดผ้าเช็ดบาตเนี่ยเขาเช็ดสองหางนะหางหนึ่งเขาเช็ดเปียกข้างหนึ่ง้างหนึ่งของผ้าน่ะเขาเช็ดเปียกเขาให้เช็ดเปียกก็คือมันยังมีหยดน้ําอยู่ในบาตรเราไปเช็ดเช็ดเช็ดเเช็ดไปแล้วมันก็เปียกมากหลังจากเช็ดเสร็จแล้วก็เอาข้างที่แห้งน่ะมาเช็ดเขาเรียกว่าเช็ดแห้งเช็ดเปียกแล้วก็เช็ดแห้ง เช็ดเปี้ยวก็เช็ดแห้งเช็ดจนแห้งในมือเช็ดจนแห้งมือเสร็จแล้วไปพึงแดดสักหน่อยหนึง่งห้านาทีถ้าแดเจ้าห้านาทีถ้าเกินนั้นไปบาดร้อนท่านปรับอาบาอัดอีกบาดร้อนปรับอาบาอัดอีกเสร็จแล้วมาเข้าตลกเข้าตลกเสร็จเข้าตลกเสร็จอะไรเสร็จก็มาอย่าไปตากทิ้งเอาไว้นะไปทํานู้นทํานี้ทําจนลืมล้บาดร้อนท่านปรับอาบัดนะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องอับบัติเป็นเรื่องทำรรเป็นเรื่องวิ น, นัยอันนี้ต้องระวังต้องตั้ง อ, อกตั้งใจทําให้ได้ตามนั้นเสร็จแล้วมาเก็บกวาดสลาเสร็จเรียบร้อยก็กลับกุฏิของใครของเราอันนี้เราไล่ข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมนะพอเราไปถึงกุฏิเราแล้วแล้วก็เริ่มข้อวัดส่วนตัวแหละตอนนี้เราจะเดินจงกลมเราจะนั่งภาวนาเราจะท่องหรือเราจะฟังเทศ ลราก็ตั้งใจทําไม่ใช่ไปแล้วยังไม่ถึงกุฏิแหละ ว, ว่างบาตรยังไม่ได้จัดได้แจงอะไรเลยล่ละกึ่มลงไปนอนฟ า, อาจนบ่ายโมงออกไม่ฉันก็จะถึงบ่ายโมงมันแวบลงหมดแล้วแหละท้องมันหิวอยู่แล้วแหละออกมาใส่น้ําให้ไปอีกลับไปอีกกึ่มอีกนอนอีกสองสามชั่วโมงแบบนี้ทําลายตนเองทําลายศรัทธาทําลายตนเองทํำลายโอกาสนี่ต้องระวังให้ดี ต้องทำธุระเจ้าก่อนพักผ่อนก็พักผ่อนพอประมาณเดินให้มากเดินจนเหน็ดเหเดนื่อยเดินเหน็ดเหนื่อยขึ้นไปนั่งง่วงนอนง่วงนอนบ้างกันนอนพอประมาณถึงเวลาก็ตื่นถึงเวลาก็ลุกได้เวลาบ่ายโมงใกล้บ่ายโมงก็มาดูมาช่วยดูช่วยทําครบฉัน้ําร้อนเสร็จบ่ายสามโมงผัดตากนี่มันเป็นรอบวงจรของเราข้อวัดปฏิบัติส่วนตัวส่วนรวม พระใหม่เราก็ต้องพูดต้องบอกกันไม่พูดไม่บอกต่างคนต่างดูเอาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอันนี้เป็นส่วนข้อวัดนะแต่เป็นส่วนข้อปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเน้นหนะักเรื่องของศีลจะต้องตั้งใจเราจะรู้ได้ไงว่าศีลข้อไหนข้อไห น, ไหนที่เราจะต้องถือปฏิบัติเราต้องเอานังสือวินัยมุกมาดู หนังสือนวโกวาดมาดูหนังสือนวโกวาดมันต้องติดมือแล้วแหละพอเราเข้ามาอยู่วัดเนี่ยมันต้องมีหนังสือนวโกวาดเป็นคู่มือติดมือแล้วแหละเราบวชก็ตามยังไม่บวชก็ตามมีเวลาเราก็เปิดดูหนังสือนวโกวาดมันเป็นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับธรรมกับวินัยวินัยยมุกเล่มหนึ่งวินัยยมุกเล่มสองเราามาเปิดดูศีลของเรามีอะไรบ้าง วราชิก4สังฆาทิเศษสิบสานยต2นิสุยปยตี30ปสิปยตี92ปาิปยติเทศนิยะสเสียขยวัน75็าอธิกรณ์สมถฐาเจรวมเป็น227ไปดูข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ท่านเขียนไว้เฉยๆให้เราใครดูก็ได้ทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูต้องศึกษาต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัด เพราะเราอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราศึกษาเพื่อตอบสนองเพื่อตอบแทนอาศัยคุณงามความดีจากการที่เราศึกษาศีลปฏิบัติธรรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นคุณงามความดีติดตัวเพื่อตอบแทนความเป็นอยู่ที่เราอยู่เราอยู่ปัจจัยทั้งสีนี้เราอยู่เราอยู่ได้เพราะ เพราะชาวบ้านเราอยู่ได้เพราะญาติโยมเขาอุปถัมภารุงอตอนนี้ในเมื่อเราบริโภคขบฉันไปแล้วเราไม่ทําประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเราเป็นหนี้เขาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนในที่สุดงอหัวไม่ขึ้นหนักเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจรักษาศีลเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมทาไงเราจ ะ, จะตักตวงเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจมากที่สุดอ ตั้งใจรักษาศีลก็ตั้งใจรักษาตั้งใจศึกษาตั้งใจดูตั้งใจตั้งใจดูตั้งใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรู้ว่าเราข้อนั้นเราผิดอันนั้นข้อนั้นเราจะข้อไหนที่มันเสี่ยงกับการที่เราจะผิดเนี่ยเราพยายามดูข้อนั้นให้เข้าใจเช่นอย่างปาราชิก4ี่สังขารที่เสียสิบสามาดูให้เข้าใจสังขารทเสียสิบสามในเวลาต้องแล้วมันลําบากมันต้องอาศัยอำนาจสง ในการออกจากอาบัตรอานิสคียาปายตีนี่ส ย, ยสองเสียสละกปายตีข้อทีสองนี่ก็ต้องต้องแต่ละข้อแต่ละข้อนี่ก็ต้องแสดงอย่างขุดดินนี่ต้องปายตีดึงพรากของเขียวออกจากที่ก็ต้องปายตีเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงให้รู้จักใช้คําที่เป็นกับปิยะโวาหานเราต้องการหลุมว่าเราต้องการหลุมมาทําหลุมให้เรา เราต้องการทำตรงนี้ให้สะอาดอมาพิจารณาตรงนี้ให้เรางาไม้ตรงนี้ใบไม้ไอ้กิ่งไม้ตรงนี้มันเกะกะทางมาพิจารณาให้เราเราใช้คำที่เป็นกัปนปะิยะโวหารคำที่เป็นกัปปิยะโวหารผักที่เราจะฉันถ้าเป็นผักที่จะจะเอาไปปลูกได้เราจะต้องให้เขากัปปิกัปปิยังกโรห oh ิ กับียงพันเตเราว่ากับียงโกรหิกับียงพันเตยมเขาบอกกับียงพันเตกับียงโกรหิเจ้าจงทําสิ่งนี้ให้ควรกับียงพันเตควรและเจ้าข้าเช่นอย่างอะไรล่ะเช่นอย่างผักบุ้งเงี้ยของที่มันจะพึงเอาไปปลูกอีกได้ท่านให้ทํากับียงันนี่เป็นเป็นของที่อยู่ใกล้มืออยู่ปากคอกที่เรา ที่เราเลยไปไม่ได้เราเลยไปแล้วก็ลืมแหละในที่สุดเราก็อยู่กับอบัตทุกวันทุกวันทุกวันก็หนักเรื่อยพอเราได้ศินสอง้อยี่สิบเจ็ดป้าบเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติที่ละเอียดยิบเลยดูแต่ศินสองร้อยยีิบเจ็ดข้ อ, อ น, นี่เฉพาะในปฏิโมกนะนอกปฏิโมกอีกสี่ร้อยห้าร้อยกว่าข้ อ, อแต่ละข้อแต่ละข้อท่านจะปรับอบัตทุกกฏเกือบทั้งนั้นเลย ปรับอวบัตทุพพาปรับอวัรจบ้างปรับอวบัตทุพพาศิลบ้างนอกนอกศีลนอกพระปาถิโมกนะเช่อนอย่างไม่ปลงผมเนี้ยทั้งกระปราบอวบัตส่องดูเงาหน้าในกระจกนี่ทั้งกระปราบอวบัตนะแต่ถ้าส่องด้วยเหตุจำเป็นท่านไม่ปรับส่องด้วยเหตุไม่จำเป็นส่องส่องดูเพื่อความสวยงามท่านปรับอวบัตอวบัตทุกกฎอย่าลืม ท่านปราบัิทุกกฎท่านกำหนดให้ปล o ผมภายในสองเดือนหรือยาวไม่เกินสองนิ้วถ้าเราไม่ปลงท่านปราบัิอันนี้นอกปฏิโมทถังนั้นแหละประดับตัวประดับร่างกายเนี่ยตกแต่งร่างกายนันนอกปฏิโมก สินนอกปาฏิโมกมีมีมีมากเราไปดูในวินัยามุเล่มสองท่านจะพูดถึงศินนอกปาฏิโมกทั้งหมดเลยมันมีวินัยามุเล่มหนึ่งวินัยามุเล่มสองเราไปดูเราดูร่องรอยของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกที่ท่านศึกษาไปแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านพ้นไปแล้วท่านเดินไปตรงนี้อันนี้เป็นเส้นทางของท่านพวกเราสุดท้ายภายหลังเราเราอยากดิบอยากดีอยากมีอยากเป็น อยากมีมั่งมีผลเหมือนท่านเราก็ต้องเดินต้องเจริญรอยตามท่านถ้าเรามาคิดถึงหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความพี่เกียจขี้คร้านต่างๆเหล่านี้มันจะร่วงไปหมดแหละจะทําให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจประกอบไปไม่ประมาทไม่ลืมตัวไม่ปล่อยให้กิเลมันก้มรุมหัวใจเนี่ยราคาดาะดึงไปบ้างโทสะดึงไปบ้างโมหะดึงไปบ้างวันๆหนึ่งอะเละตุ้มเปะอยู่แต่กับไอ้ของเก่าๆ ที่มันชุ่มแปร่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยทั้งๆที่เราอยู่ในถ้ากลางที่จะมาสํารอกมันออกแต่เราไม่ได้สนใจนี่อันนี้ก็เสียโอกาสอีกเสียโอกาสอีกอืปล่อยให้มันหมักหมมจนเน่าเฟะอยู่ในหัวใจในที่สุดเราก็ไปไม่รอดไปไม่รอดก็จอดเท่านั้นแหละอืแจวก็ไม่ได้แจวเราก็จมจอดจอดแล้วก็กลับฟังคืนแล้วล่ะท่านนี้ ต้องพิจารณาให้ดีเป็นข้อวัดส่วนตัวเป็นข้อวัดส่วนรวมรวมไปถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจเจริญสมาธิเจริญภาวนาอันนี้เป็นงานประจำใจโดยตรงเป็นงานประจาใจโดยเฉพาะเป็นงา น, งานกากับจิตโดยเฉพาะ ถ้าใครไม่ตั้งใจเจริญสมาธิแล้วคนนั้นจะถูกกิเลมันกุมรุมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะอะไรเพราะการมฉันทะเอ่ยพยาปาทะเอยทีนมิทะเอยอุทธัจจกุกุจจะเอยวิจิกิจชาเอยที่ทำเรียกวันนิวรนมันครอบงำนิวรนมันครอบงำครอบงำกิดทุกระยะทุกวันทุกเวลาเรื่องนุ่นมาปรุงเรื่องนี้มาคิดเรื่องนั้นมาต่อเรื่องนี้มาเติมมันปรุงทั้งวันทั้งคืน จิตสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาทาให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตสงบท่านเรียกว่าสมาธิจิตมีสมาธิจิตมีความสงบความสงบนะ่ยมันแนบแน่นอยู่ที่หัวใจเนะี่ยมันเป็นจิตใจที่จิตใจที่อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวมันเป็นจิตใจที่อยู่กับกายของเราอยู่กับจิตของเรามันไม่โดดดิ้นไปตามอารมณ์ที่มันมาผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรต่ออะไรของเรานี่ ความสงบมันแนบแน่นอยู่ในหัวอกหัวจิตหัวใจของเราได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นอยู่ในภายในเนี่ยกามาฉันทะมันก็ไม่มาก่อกวนแต่ตัวเดียวนี้แหละลองปล่อยให้ตัวเดียวนี้ก่อกัวนน่ะโลกนี้ทั้งโลกมันตกเป็นของมันทั้งหมดแหละะดึงมันไปโลกอื่นมันไม่ไปหละลองไปลองปล่อยให้อันนี้ตัวเดียวเนี่ยก่อกลัวเนี่ยโลกทั้งโลกเป็นของมันทั้งหมดอะไรก็เพื่อมันอะไรก็เพื่อมันเพื่อมันเพื่อมันเพื่อมันทั้งหมด การไม่ชั้นทะแต่ถ้าจิตเราสงบแล้วมันจะแทรกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเย็บเข้ามาเรามีสติมีสัมชัญญยเนี่ยเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างจากอารมณ์มันถึงแทรกเข้ามาไม่ได้ไม่ปล่อยยังไงไม่ปล่อยคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธดําริในจิตตลอดจิตเวลามันจะนึกจะคิดมันจะนึกจะคิดเป็นขณะของมัน มันจะนึกจะคิดเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมนทีนี้เราเจตนาคิดเราตั้งใจเราตั้งเจตนาคิดเราคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคิดอยู่ในใจนะอ่ถ้าเพื่อตอนแรกไม่ถนัดมันอาจจะมุบมีบทางลิ้นบ้างมุบมีบทางริมฝีปากบ้างอะไรบ้างกับปล่อยช่างมันอ่แต่ถ้าเราทําจนจิตเข้าลึกไปแล้วเนี่ยมันจะภาวนาอยู่ที่จิตมันจะไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับริมฝีปาก ไม่ให้จิตว่างจากคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธการที่เราดําริแต่ละขณะของจิตแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันเป็นการยกจิตมันเป็นการกระตุ้นจิตมันเป็นการปลุกจิตให้ตื่นพุทโธพุทโธเมื่อเราตั้งใจจะปลุกจิตเราให้ตื่นตลอดไม่ให้มันลุ่มหลงไม่ให้มันลุ่มหลงหลงอะไรหลงอารมณ์เพราะอารมณ์มันผ่านตาผ่านหูผ่านจมูก ผ่านลิ้นผ่านกายแล้วก็ผ่านใจของเราตลอดอารมณ์มันจะผ่านตลอดเวลามันจะหลงมันก็หลงไปกับอารมณ์ท <ๆ S 1> ีนี้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมาแทรกไม่ได้ถ้าหากเราตั้งเจตนาบริกรรมเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธุโธมันแทรกไม่ได้อท่านให้นึกงกันท่านให้คิดมั่งกันท่านให้คิดเรื่องเดียวคิดสิ่งเดียวๆๆคิดคําว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรให้เรามีสติกํากับอยู่ที่นี่ ให้เรามีสัมปชัญญะกำกับอยู่ที่นี่ไม่ใช่พุโทโธแต่ปากมรูจิตล่องลอยไปไหนก็มรู้อันนั้นก็เ ร, รียกว่าพุทโธสติไม่ทันสัมปชัญญะไม่ทันมีพุทโธมีสติกำกับมีสัมปชัญญะกำกับเมื่อเรามีสติกำกับมีสัมปชัญญะกำกับเนี่ยมันได้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเมื่อได้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมันได้อารมณ์ที่ชัดที่สุดเมื่อเราได้อารมณ์ที่ชัดที่สุดเนี่ย สิ่งอื่นอารมณ์อื่นจะมาแทรกไม่ได้แต่ถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์มันจางแล้วเกินจืดแล้วเกินมันจางมันจนไม่เป็นพุทโธแล้วแหละอ่ามันจางมากมันทําให้เกิดช่องอารมณ์ของนิวรมันก็แทรกเข้ามาอ่าถ้าใจโกรธฉุนเฉียวกับอะไรแรงๆอารมณ์ความโกรธก็แทรกเข้ามาแหละถ้าใจครุ่นคิดราคะตัณหามากๆอะ่ะกามฉันทะ ความพอใจในกามทั้งหลายนั่นพวกมันก็แทรกเข้ามาพิจารณาเรื่องของกาม น, นี่แสดงว่าแสดงว่าเจตนามันจางเจตนายกจิตมันจางค า, าพุทโธพุทธโธมันจางไปสติมันจางไปมันเลือนลางจางไปมันระเหยหายไปอ่ะมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันในที่สุดเแทนที่จะเป็นอารมณ์ธรรมปัจธรรมชัดในปัจจุบันกลายเป็นอารมณ์ของกิเลสมันชัดในปัจจุบัน บางทีมันก็ดึงไปใช้มารู้ทักษิทวีบแหละกว่าจะรู้ตามันช่างมันรู้ทันเมื่อไหร่แล้วก็ดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วสิบขณะจิตยังไม่รู้จักหละพอรู้จักและก็ดึงกลับมาใจเย็นสู้เสืออยู่นั่นแหล ะ, ะใจเย็นสู้อย่างนั้นแหละหนักหนเข้าห้านาทีกอไ อ, อ, อห้าห้าขณะจิตมันออกไปห้าขณะจิตมันออกไปสามขณะจิตมันออกไปสองขณะจิต มันออกไปหนึ่งขณะจิตแยบแยบเนี่ยทันทันทีแยบแยบทันทันทีแบบนี้ถือว่าเรายังขยเยอกันเรายังต่อสู้กันยังขยเยอกันในเมื่อเราตั้งใจให้สงบมันยังได้ขยเยอกันแยบแยบแยบแยบขณะนี้ยังถือว่าใช้ได้โอกาสที่มันจะแยบตอบเราก็ยากพอาแยบแยบพอเราทันปั๊บมันก็อยู่ในมือเราจิตอยู่ในมือของสติของสัมปชัญญะ พอย็บเยพอจะหลุดมือก็ย็บเหลุดมือหนึ่งก็จับได้มือหนึ่งหลุดมือหนึ่งก็จับได้มือหนึ่งไม่หลุดไปทั้งหมดแต่มันใกล้จะหลุดมันคล้ายจะหลุดอ่ะนี่คือเราตั้งอกตั้งใจทําทําไปทําไปแล้วมันเชื่องมันชินกับงานแล้วมันก็เป็นงานจิตมันก็พลอยได้รับความสงบความสงบกับความผาสุกกับความอบอุ่นใจกับความเย็นอกเย็นใจ กับความมีฤทธิ์มีเดชในใจน่มันมีมาพร้อมๆกับความสงบของจิตจิตสงบแล้วมีพลังมีอนุภาพในตัวสติก็ดีปัญญาก็ดีอะไรก็ดีจิตจะเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีดีขึ้นดีมากจนถึงดีเยี่ยมเราเอาจิตที่สงบนี่แหละมาพิจารณาเพราะเดี๋ยวนี้เราลุ่มหลงกายของเราเราลุ่มเจาะลุ่มหลงจิตของเราก็เหมือนอย่างเราปล่อยอารมณ์ให้มันมา หมอกมุ่นในจิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยดอกแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเองมันเป็นไปด้วยความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเราทําจิตให้ได้ไดรับความสงบเพื่อมาพิจารณาความหลงนี่แหละทําไมมันจึงหลงเราก็พิจารณาย้อนมาดูหลงอะไรหลงรูปอย่างหลงตาท่านเทศเมื่อกี้เราฟังเราฟังแล้วเราฟังแล้วเราจําเป็นหลักได้เลยรูปเรารูปเรา รูปหญิงก็ตามรูปชายก็ตามคําว่าชายกับหญิงมันเป็นคําสมมุติเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ท่านปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยท่านดูของจริงท่านดูเนื้อเนื้อหาของของจริงเช่นอย่างดูมาที่ที่เนื้อดูมาที่หนังก็หนังเหมือนกันดูมาที่เนื้อก็นเนื้อเหมือนกันดูมาที่กระดูกก็กระดูกเหมือนกันไม่มีตรงไหนเป็นชายตรงไหนเป็นหญิงคําว่าชายคําว่าหญิงนั่นน่ะมันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุติมมที่ตั้งขึ้นเนี่ย แต่ผู้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านให้ดูมาที่เนื้อแท้ของของวัตถุเช่นอย่างมองมาเห็นผมก็คือผมผมผู้ชายผมผู้หญิงก็ไม่ต่างกันหนังผู้ชายหนังผู้หญิงก็ไม่ต่างกันความอ่อนหยาบกระด้างอะไรก็ไม่ต่างกันเหมือนกันทั้งหมดะแต่ด้วยเหตุที่เกลี่ยมันปักใจนี่มันฝังใจเนี่เราก็ยึดอยู่เป็นอุปาทานอยู่นั้นอ่ะโอกาสที่เราจะมาชำระ ความยึดมั่นถือมั่นในคําสมมุติอันนี้มันก็ยากมากถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมถ้าเราไม่มีความสงบทางด้านจิตใจเพื่อจะมาพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ดูได้ยากเราเอาจิตที่ได้รับความสงบนั่นแหละมาพิจารณาจิตที่มีความสงบและจิตจิตเป็นพลังในตัวความนึกความคิดอะไรต่างๆมันก็เริ่มเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาสัจธรรมที่อยู่รอบข้างตัวเรา มันก็พอจะซึมซับเข้ามาสัจธรรมที่เป็นกายของเราสัจธรรมที่เป็นจิตของเราเราก็พอที่จะย้อนเข้ามาจิตมันก็พอที่จะยอมรับว่าอันนี้เป็นหลักสัจธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันยอมรับหากมันเป็นไปเองนะเมื่อยอมรับจริงๆคาคําว่าสมมติมันก็ทิ้งไปหมดเมื่อสมมติก้าทิ้งทิ้งไปหมดก็เหลือแต่สภาพธรรม คำว่าสภาพธรรมเย่นอย่างเป็นหนังกับหนังเนื้อกับเนื้อไม่รู้ไม่มีคำว่าผู้หญิงมันไม่มีคำว่าผู้ชายดูไปที่สีก็สีเหมือนกันดูไปที่กลิ่นก็กลิ่นเหมือนกันกลิ่นของคนที่แท้จริงไม่มีกลิ่นหอมกิเลสมันเจกสารปั้นย่อให้ให้ให้ว่าหอมดูไปที่กลิ่นที่ที่แท้จริงของคนแล้วเป็นยังไงแล้วดูมาดิดูมาที่ตาที่หูที่จมูกดูมาที่ปากตอนเช้ามาเนี่ยยังไม่ได้ล้างปากยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยลองหายใจเข้ากัน หายใจเข้ากันเอาลมจากปากเข้าไปหากันในเหมือนคลุง้งทางหูเอ่ยทางจมูกเอ่ยทางตาเอ่ยทางทวาร น, นักเอ่ยทางทวารเบาเอ่ยมีแต่รูปฏิกูลทั้งนั้นมีแต่ช่องทางปฏิกูลทั้งนั้นเราดูให้เห็นของจริงอย่างนี้มันเป็นการทําลายสมมุติดูไปที่เนื้อแท้ของมันเนี่ยเราพยายามผัดนึกหัดคิดหัดพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราจะเลยสิ่งที่เป็นสมมุติไปไปถึงสิ่งที่เป็นวิมุตติเมื่อมันเลยสิ่งที่เป็นสมมุติไปแล้วมันก็เป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเนื้อหามันเป็นเนื้อแท้ของธรรมชาติเช่นอย่างธรรมชาติผมธรรมชาติขนธรรมชาติเล็บธรรมชาติฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนถึงอาการสาสิบสองแต่ละอย่างแต่ละอย่าง อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งดูกายของเราให้เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าดูให้เห็นเป็นธรรมชาติอีกอันนึงก็สักเท่ว่าเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านให้ดูให้เห็นเป็นธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันจึงจะทําลายวิสมุติได้เมื่อทําลายสมุติได้มันก็เริ่มเข้าสู่วิมุติ เริ่มมากเข้ามากเข้าน้อยเริ่มมากเริ่มน้อยมันสามารถทําลายกิเลสได้สามารถทําลายตัณหาได้สามารถทําลายอาสวะในจิตในใจได้วิธีการนี้เป็นวิธีการซักเป็นวิธีการฟอกฟอกอะไรฟอกความลุ่มหลงจากจิตของเราฟอกความลุ่มหลงในจิตของเราฟอกความลุ่มหลงจากน้ําดองอาสวะในจิตของเรานั่นแหละทําไบชะไปล้างไปฟอกไปขัดกราบ ผัดไปเกล้าไปจิตมันก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้เรื่องธาตุเรื่องขันจิตพอเริ่มรู้เรื่องธาตุเรื่องขันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเพื่อความบริสุทธิ์ถอยจากการยึดจากการถือน่ะเพราะมันเห็นเป็นศัก์แต่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาอืมจนสามารถแยกออกได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์พระริยเจ้าท่านมีจิตที่บริสุทธิ์ จิตอยู่ส่วนจิตขันอยู่ส่วนขันจิตที่บริสุทธิ์อยู่ส่วนที่บริสุทธิ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนนามขันรูปก็เป็นส่วนรูปประขันแท้จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านให้พิจารณาขันทั้งห้าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อัตตาตัวตนของของเราของเขาสักว่าเป็นธรรมาชาติการสิก ที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นสักดิ์ทว่าเ ป, เป็นธรรมชาติก็เหมือนอย่างที่อธิบายไปแล้ ว, ล ว, ลวนั่นแหละดูให้เห็นเนื้อแท้เนื้อจริงของมันดูให้เห็นเนื้อจริงของมันออย่างผมเราก็ดูว่าศักดิ์ทว่าเป็นวัตถุดำดำเท่านั้นแหละเอาจิตเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยคนก็เหมือนกันสักดิ์ทว่าวัตถุดำดำเอาจิตเข้าไปอยู่ตรงนั้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก รวมมาถึงสันฐานของคนสันฐ า, านหัวสันฐานมือสันฐานกายสันฐานกลางตัวสันฐานขาเนี่ยมักศึกษาว่าเป็นสันฐานดูจนไม่เห็นเป็นสันฐานดูเห็นศักษว่าเป็นเนือ้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกดูศักษาว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างดูกระดูกนี่ก็เอาจิตเข้าไปอยู่ในกระดูกเลยเอาจิตเข้าไปแทรกอยู่ในกระดูกเลย เอาไปแทรกอยู่เป็นเนื้อแท้กับกระดูกเลยเนีย่มันเลยจากคาว่าสมมุติคําว่ากระดูกอไปอยุตไปดูที่เนื้อแท้พอเราดูกายของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราดูรอบข้างของเรามันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัจธรรมรอบรอบตัวเราเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏขึ้นถ้ า, ากเราเริ่มมีความสงบเราเริ่มรู้จักพิจรารณาสัจธรรมมันก็จะเริ่มเริ่มปรากฏตั้งแต่สัจธรรมหยาบไปจนถึงสัจธรรมละเอียด ไปจนถึงสมุทัยส่วนที่หยาบสมุทัยส่วนที่ละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตของเราเราก็มีช่องมีทางที่สามารถจะแก้ไขจะถอดถอนได้นี่เป็นการทําลายความลุ่มหลงของตัวเองอันนี้มาจากการเราตั้งอกตั้งใจศึกษารักษาศีลและตั้งใจปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเพื่อทําลายความลุ่มหลงเพราะอะไร เพราะความลุ่มหลงทั้งหลายทั้งปวงทําให้เราวกวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่แหละไม่จบไม่สิ้นและการวกวนอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเรามีความสุขนิดเดียวมีความทุกข์มากมีความสุขนิดหน่อยมีความทุขมกข์มากๆเราดูความความทุกข์ความสุขที่เราได้ประสบพบเห็นเติดในกายของเราในใจของเราเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากทุขก Sail, ข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ลําบากกับเรื่องนั้นลําบากกับเรื่องนี้ โอกาสที่จะจิตสะอาดสว่างสวยปลอดโปร่งมันจะไม่ค่อยมีมันมีแต่ชุ่มแปรกับอารมณ์นั้นยินดีกับอารมณ์นั้นพอใจกับอารมณ์นี้เสียใจกับอารมณ์นั้นน้อยใจกับอารมณ์นี้ได้รับความทุกข์จากเรื่องนั้นได้รับความทุกข์จากตัวเราได้รับความทุกข์จากตัวเข า, าได้รับความทุกข์จากธรรมชาติที่เรามีเราเป็นเราเกี่ยวข้องอยู่มันก็ ชุมแปรอยู่อย่างนี้แหละด้วยการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะฉะนั้นอุปาทานจะหมดไปได้ต่อเมื่อเราศึกษาเข้าใจเข้าถึงอย่างทั่วถึงจริงๆอุปาทานจิตถึงจะถอนมา ถ, ถ, ถ, ถอยมาถอ ย, ถอยมาถอยม า, ยมาปล่อยการยึดมั่นถือมั่นถ้าหากเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจมันก็กรรมอยู่เต็มแปรนั่นแหละ เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างสามารถชําระขัดเกลาสิ่งอที่เป็นที่เป็นของทําให้จิตเราเศร้าหมองเนี่ยขัดเกลาเป็นจนจิตเราพ้นจากความเศร้าหมองพ้นจนถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตได้นี่เพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังอยากได้รับความสุขที่บริสุทธิ์อยากได้รับความสะอาดของจิตที่บริสุทธิ์ ต่างคนต่างตั้งออกตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่งใบเจ็บปวดทรมานขนาดไหนก็ตามดูพิจารณาไปให้เป็นหลักธรรมาชาติพิจารณาไปให้เป็นหลักธรรมาชาติถ้าเราไม่เข้าถึงหลักธรรมาชาติจริงๆจิตมันจะถอยไม่ได้มันจะถอนไม่ได้มันจะเข้าใจไม่ได้อย่างเรานั่งไปนั่งไปปวดปวดก็เป็นเวทนายอย่างหนึ่งดูให้เห็นเป็นศักท์ว่าเวทนาจริงๆ ไม่ให้มีเราอยู่ในนั้นไม่ให้มีเขาอยู่ในนั้นไ ม, ไม่ให้มีอะไรอยู่ในนั้นอเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นนไม่มีไม่มีของเรานะคือไม่มีขาของเราไม่มีข้นของเราแต่พวกของเราที่มันปวดอยู่เนะี่ยเห็นสักแต่ว่าเวทนาท่านเอาใจของเราไปแช่อยู่ในตัวเวทานาตัวนั้นแหละนในเมื่อเราทํา บ่อยๆครั้งเข้าเข้าไปอยู่บ่อยๆครั้งเข้าอุปาทานที่เราเคยยึดถืออย่างเต็มแปรเนี่ยมันจะค่อยๆเบาไปเบาไปเบาไปเพราะมันรู้มันเข้าใจรู้เข้าใจว่าความจริงแท้คืออะไรมันจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรสาเหตุที่แท้จริงก็คือความยึดถือที่ละเอียดที่อยู่ภายในจิตนั่นแหละคือตัวตันหาตัวอุปาทานเนี่ยสมุทัยตัวตันหาก็ตัวสมุทัยนั่นแหละ สมุทัยคือเหตุให้ยึดนั่นแหะเมื่อเรายึดมันก็ได้รับความทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เรายึดยึดกายเรากายของของเราจิตเราจิตของของเราทรัพย์เราทรัพย์ของของเราภารากิจของเราภารภากิจของท่านยึดไปหมดแหละ <c oughs> สมุทัยตัวตัณหาตัวความอยากตัว น, นี้ผายยึดเพราะฉะนั้นเราพูดไปพูดมาไม่ไม่พ้นการ ม, มาตัณหาภวะตัณหาพิภวะตัณหา ดูมาที่แท้จริงให้เห็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตรงนี้ดูมาที่ใจเราเราจะเห็นมันก็ดุกระดิกพลิกแปลงไปยังไงเนี่ยมันเป็นการกรดุกระดิกพลิกแปลงไปด้วยอํานาจของตัณหาเกือบทั้งนั้นเลยหรือเราจะวัดการดิ้นรนของจิตเป็นการดิ้นรนของตัณหาภายในจิตอย่างเดียวเท่านั้นเราลองพิจารณาดูอืแต่ถ้าพ้นนั้นไปแล้วเป็นจิตที่มีธรรมเป็นจิตที่เป็นธรรมท่านจะนึกท่านจะคิดท่านจะพิจารณาอะไรก็เป็นอิสระของท่าน อันนี้คือผลที่ปรากฏภายในจิตใจหลังจากเราทมไปแล้วผลจะปรากฏเพิ่มพูนทวีคูณไปอย่างนี้เพื่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงบรมสุขประมังสุ ข, ขังบรมสุขคือสุขอย่างแท้จริงอันนี้คือเรามองโลกอย่างเป็นผู้เข็ดลาบในความทุกข์ในกองทุกข์เราจึงจึงตั้งอกตั้งใจมาศึกษามาฝึกฝนอบรมมาประพฤติมาปฏิบัติ อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้มรักอยากได้ผลอยากได้นิพพานเหมือนท่านเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งอกตั้งใจทำไม่ให้มันเสียโอกาสเพราะเราอยู่ท่ามกลางโอกาสอยากทำให้เสียโอกาสเอาละพอสมควรและฝนก็แค่นี้แหละไปแหละช่วงไหนมีเวลาฟังเทะหลวงตาก็ฟังเราพูดอย่างนี้เท่ากับว่าเราพูดเราพูดต่อหน้าเราพูดหน้างานว่างั้นเถอะ อะไรที่พอจะเป็นปัจจุบันก็ได้บ้างได้ยินได้ฟังมันอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเราพูดได้ทําไมกุฏิที่ทําใหม่กับข้างบนก็เดินได้นะกุฏิที่ทําใหม่ข้างบนมีทางเดินสองข้างกุฏิใหญ่กุฏิเล็กที่ชี้อยู่ก็มีทางเดินทางเดินข้างบน เมือคืนอยากเดินก็เดินข้างบนได้กุฏิพระเราก็มีมงุงทางยังกรมหลายหลายหลังนะนะอย่าปล่อยให้ราขึ้นนะไม่ไปเดินสักนะทีนะกุฏิพระเรานะี่ะมุงทางยังกรมทั้งหลายหลังเดินนั่งเดินนั่งอย่างนั้นแหละเพื่อปลุกตัวเองปลุกตัวเองให้มันตื่น มันมนิวรมันดึงหลับไหลไปหมดแหละมีอะไรไหมในครัวมีอะไรไหมพุ่งนี้ยี่บสามวันที่ย4ิบสี่ก็บวดอีกแล้วี่สิบสามยี่ิบสี่มีวันนี้พวกอาจารย์วัฒนาเข้เอาดอกมาดอกข้าจัดมาประจําแต่ก่อนวันสำคัญข้าันี่จัดมามีเขาว่าวันอาสาหะเขา ไม่อยู่ไม่มีเวลาเขาเลยทํามาลุก น, น้างเขาจัดของเขาก็หาของเขามาเราไม่ได้ให้ทุนให้รอนเขาดอกเขาเรื่องศรัทธาก็าาจัดมาเขาทำมาไม่ใช่จัดมาเฉพาะวัดเรานะไปวัดอื่นอีกด้วยก็เป็นบุญของเขาอะ่ะทําไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดปลืม้มปีติยินดีนั่นแหละบุญเกิดหลอะอะ พนอันนี้สงก็ได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ความงามว่างั้นเถอะสิ่งเหลานี้ยังมีอยู่เป็นอยู่ในวัฏสงสารก็ปฏิเสธไม่ได้ดอกเราก็จะยิงสูงๆเดี๋ยวมันไปไม่พ้นทําไงอ่ะนะจะยิงสูงๆมันไปไม่พ้นมันก็ตกใส่สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านที่ให้ทําไปให้ทานให้ไปรักษาศีลก็ให้รักษาไป ทำทานเด็กานน้อยอุตสาพยายามทําไปหาเรายิงไปไม่พน้นอ่ะมันก็ตกไป ส, สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยเรี่ยวแรงด้วยอุตสาหาพยายามทางทางทางด้านศีล ท, ทางด้านทำมันเป็นการแข่งกับกิเลสอะไรถ้าทําน้อยกว่ากิเลสมากกว่ากิเลสก็ให้ทุกข์มากทํามากกว่ากิเลสน้อยกว่ามันก็ให้ความสุขมาก อะไร Look.